จิตดิ้นรนกลับกรอกป้องกันยากห้ามยากคนมีปัญญาสามารถทำให้ตรงได้เหมือนช่างสอนดัดลูกสอนพุทธวั จ, จะนะ ประเด็นที่ตั้งใจจะแลกเปลี่ยนกับคุณหมอเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนของเราก็คือธรรมะสมาธิสู่การฟื้นฟูสุขภาพเอ๊ะธรรมะสมาธิเกี่ยวกับสุขภาพยังไงและจะฟื้นฟูสุขภาพได้จริงแค่ไหนไม่ทราบว่าคุณหมอมีความเห็นเป็นประการใดคะ่ะก็ต้องขอบอกในฐานะผู้ที่ทํา ง, งานอยู่ใน แวดวงสุขภาพเนี่ยนะครับว่าค่อนข้างเหนื่อยทำได้แต่ทำได้ยากใช่ไหมคะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากน ะ, ะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากในการที่จะบอกกล่าวกับประชาชนเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าถ้าทำสำเร็จนี่ก็เรียกว่าอาจจะเป็นการปฏิวัติทางด้านสุขภาพเลยก็ว่าได้เพราะว่าการ ให้ความรู้หรือว่าทำให้ประชาชนเนี่ยสูญเสียภูมิปัญญาในการดูแลตัวเองหรือว่าเป็นการตัดตอนทางปัญญาในการที่ประชาชนจะดูแลตัวเองเนี่ยมานานพอสมควรนะยังอยู่ในวิสัยที่พอจะกลับหลังหันทันอยู่บ้างน ะ, ะนะทําอย่างเต็มฝีมือจริงๆรนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใหญ่แล้วก็ การแก้ปัญหาไม่ใช่เรื่องง่ายนะการแก้ปัญหาที่ทาเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือต้องทาอย่างจริงจริ ง, งจังๆค่ะนะแล้วก็ต้องทำให้ถูกนะการที่เรามาฟื้นฟูนะวงการสมุนไพรเนี่ยก็ถูกเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ยังเป็นการแขวนที่พึ่งไว้กับยาที่เป็นยาของไทยแทนที่จะเป็นยาของต่างชาตินะคร คือสุขภาพของเราก็ยังไปแขวนไว้อยู่ว่าแทนที่เราจะไปทานยาที่เป็นสารเคมีเนี่ยนะที่สังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยเราก็ไปทานพืชที่เราเหมือนกับว่าผลิตขึ้นมาเองแต่ในความเข้าใจของผมเนี่ยสุขภาพที่แท้จริงเนี่ยคนไข้หรือว่าผู้ป่วยหรือว่าประชาชนเนี่ยควรจะยืนหรือว่าควรจะจัดการอยู่บนลำแข้งของตัวเองให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย จริงๆแล้วมันก็คือธรรมะนะครับค่ะถ้าหากเราสอนให้ประชาชนของเราหรือว่าทํายังไงก็ได้ให้ประชาชนของเราเนี่ยเข้าใจธรรมะสุขภาพที่แท้เนี่ยจึงจะเกิดขึ้นจริงๆอทีนี้อย่างที่หัวข้อที่ก็ตั้งไว้นะฮะถูกแล้วครับธรรมะคืออะไรนั่นแหะสิคะใช่ไห้ครัเราไปเข้าใจว่าธรรมะก็คือเป็นการนั่งสมาธิเป็นการไปอยู่วัดหรืออะไรอย่า ง, างนี้นะฮะ อันนั้นมันก็ถูกเหมือนกันแต่มันถูกน้อยกว่าน้อยยังไม่ใช่นะฮะมันถูกน้อยไปส่วนน้อยนะของคําว่าธรรมะธรรมะจริงๆก็คือความเป็นจริงก็คือสัจธรรมค่ะใช่ไหมสัจธรรมคือความเป็นจริงที่มันปรากฏอยู่กับตัวเราอยู่กับเรานี่แหละนะทุกเมื่อเช้าวันทุกวินาทีทุกขณะเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะสอนให้ประชาชนของเราเนี่ยเข้าใจธรรมะ คือเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตได้นะเราก็คงไม่ต้องหวังนะครับว่า <Okay. S 1> คาว่าสุขภาพดีหรือว่าคาว่าสุขภาพจะพัฒนาไปได้อย่างไร <Okay. S 1> เพราะว่าสิ่งที่เขาเข้าใจอยู่เนี่ยมันเข้าใจผิดทางกันนั้นถ้าเราไม่ชี้นาหรือว่าไม่ชี้แนะหรือไม่ปรับเปลี่ยนทัศนคติเข้าใหม่ให้เขาเข้าใจสัจธรรมคือความเป็นจริงของชีวิตได้จริงๆแล้วเนี่ย เรื่องอันถัดไปที่เรามุ่งหวังจยให้เกิดขึ้นก็คือสมาธิเนี่ยนะก็คงจะเป็นไปไม่ได้และแน่นอนเมื่อไม่เข้าใจความเป็นจริงก็เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงไม่ถูกต้องผลกับการเกี่ยวข้องกับความจริงอย่างไม่ถูกต้องผลมันก็คือความทุกข์นะซึ่งเป็นการทุกข์ที่เรียกว่าทุกข์ซ้ำๆ ซ, ำ ซ, ำ ซ, ำ ซ, ำซากๆนะครับนันการ ดูแลสุขภาพเนี่ยถ้าเราเอากันตามความเป็นจริงสุดๆแล้วเนี่ยก็คงต้องมาแนวนี้แต่ถ้าเราจะทํากันแบบว่ารูปหน้าปาจมูกนะครับหรือว่าทํากันเล่นๆนะฮะเราก็บอกว่าอ่าออกกําลังกายกินอาหารครบห้ามูนะฮะทําจิตใจให้เบิกบานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่าเครียดอันเนี้ยพูดง่ายพูดได้ทําไม่ได้สิคะใช่ครัอันนี้เขาเรียกว่าหลอกกันไปวันวัน<อ>นะฮะหลอกกันไปวันวันค่ะ <c oughs> ดังนั้นถ้าเราไม่ต้องการที่จะเลิกที่จะหลอกประชาชนเนี่ยเราต้องมาบอกความจริงกับประชาชนว่า <Wow. S 2> นะวงการแพทย์ของเราเนี่ยต้องมาบอกกับความจริงกับประชาชนว่าทิศทางในการพัฒนาสุขภาพที่ผ่านมาของประเทศชาติของเราหรือว่าของโลกเนี่ยค <Okay. S 2> มันเป็นไปในทิศทางที่มันผิดนะมันเป็นไปในทิศทางที่ลดการพึ่งภาคตัวเองของประชาชนหรือว่าของคนก็ว่าได้ <Okay. S 2> ให้ไปพึ่งวิชาชีพเิชาชีพหนึง่งแล้วตอนนี้วิชาชีพนั้นเนี่ยกําลังจะตาย กำลังจะตายก็อะไรกำลังจะตายเพราะว่า ง, งานมันเยอะคะใช่ไหมมีอะไรก็ปรึกษาแพทย์มีอะไรก็หาหมอเนี่ยนะเป็นคําพูดที่เสียหายมากเหมือนกับว่ามีอะไรก็ต้องหาพระอย่างนี้นะมีปัญหาทั้งนัานจิตใจก็ต้องหาพระเนี่ยจริงๆแล้วถ้าในมุมมองในพุทธบริษัทเนี่ยมีพุทธบริษัทสามนะฮหรือพุทธบริษัทสี 4, น่นี่อันที่าจะจริงกับภิกษุณีี่อาจจะไม่มีแล้วนะฮะภิกษุ อุบาสกอุบาสิกาเยังมีอีกสองที่อุบาสกอุบาสิกาที่ยังเป็นที่พึ่งได้แต่ปรากฏว่าส่วนสองอย่างนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่ามันมีอยู่นะก็เหลืออยู่ที่เห็นเป็นหลักฐานก็คือภิกษุดังนั้นมีอะไรก็ต้องหาวัดนี่พอหาวัดเนี่ยก็หาที่พึ่งไม่ได้ไม่มีแบบอย่างที่ดีพอหรือว่าหาได้ยากในการที่จะเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจได้เนี่ยก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าเคว้งคว้าง ค่ะนะไม่มีที่พึ่งพอมีใครตะโกนบอกว่ามาทางนี้มาทางนี้เนี่ยนะก็ไปกันใหญ่ก็จะแห่กันไป <c oughs> เหมือนกับสุขภาพน ะ, ค, ะคนที่สนใจสุขภาพพอรู้ว่าโอ้นีนะ่อาหารอย่างนี้ดีสมุนไพรอย่างนี้ดีเราก็จะแห่กันไปหวังที่จะพึ่งอาหารหรือว่าหวังจะพึ่งโรงพยาบาล น, นั่นคุณหมอคนนั้นหรือแม้แต่ปัจจุบันนี้นะไม่ว่าจะเป็น หมอที่รักษาด้วยวิธีการทาง ส, สายยาศาสตร์หรือว่าสมุนไพรที่ดังๆเนี่ยคนก็จะแห่กันไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเป็นรูปแบบหนึ่งของการที่ประชาชนไม่มีที่พึ่งนะมือไม่สามารถพึ่งตัวเองได้ค่ <c oughs> นะอะอันสาธรารณสุขที่แท้จริงเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเราต้องการให้เกิดมีความสุขที่เป็นสาธรารนณะนะครับสมกับคําว่ากระทรวงสาธรารณสุข เราต้องทำให้ทุกคนเป็นหม อ, อมหรือว่า ใ, ให้มีหมอทุกบ้านะนะครับหมอประจำบ้านกันเลยนะค ะ, ะหมอประจาบ้านนะหรือคงเป็นไปไม่ได้นะที่จะผลิตหมอที่เป็นนายแพทย์แล้วไปประจำอยู่ทุกบ้านนะค่ะนะเหมือนกับมีโฆษณาตอนนี้เลยฮของพักการเมืองพักการเมืองนึงที่บอกว่าจะผลิตแพทย์ไปประจำหมู่บ้านเลยน ะ, ะผมว่ามันคงเป็นความฝันนะครับก็ฝันกันต่อไปค่ะคเพราะว่า เราจะผลิตแพทย์ให้มีครบเนี่ยทุกหมู่บ้านหรือว่าทุกบ้านเนี่ยมันก็คงเป็นไปได้แต่ว่าถามว่าการที่มีแคทยเยอะๆการมีความรู้ทางการแพทย์มากๆมียาดีดๆเยอะทําให้ประชาชนของเรามีสุขภาพดีจริงไหมเนี่ยปัจจุบันนี้มันก็คงยืนยันแล้วว่าไม่ใช่ใช่ไหมฮะสาธารณสุขหรือว่าความสุขที่เป็นสาธารณะจะเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยถ้าเราจะทําได้ก็คือว่าเราต้องสอนให้เขาเข้าใจความจริงของชีวิต ให้มากที่สุดนะแล้วก็สอนให้ก็มีภูมิปัญญาที่จะดูแลตัวเองได้มากระดับหนึ่งอันนี้ในเบื้องต้นนะแต่ท้ายที่สุดก็คือว่าการดูแลสุขภาพเลยโดยเฉพาะสุขภาพกายมันดูได้แค่ระดับหนึ่งครับพี่เนนะในช่วงอายุพอสอนี้นะครับเราดูแลได้มันได้แค่ระดับหนึ่งเพราะว่าท้ายที่สุดร่างกายมันต้องมีการเสื่อมมีการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ใกล้จะตาย ทีนี้เราต้องสอนในชั้นหนึ่งว่าทำยังไงเมื่อเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นเราจะไม่ทุกข์ใจได้อย่างไรนะฮะเราจะไม่ทุกข์ใจได้อย่างไงไอ้ตัวชั้นนี้เนี่ยเป็นชั้นที่ต้องหนักกว่าเดิมอีกนะฮะสำคัญกว่าเราาสำคัญที่สุดด้วยเราต้องฝึก้วยเราต้องสอนต้องเน้นย้าให้ประชาชนเนี่ยยอมรับความเป็นจริงของชีวิต แค่เรื่องของกฎแห่งกรรมเนี่ยประชาชนเขายังไม่เข้าใจแล้วก็ยังไม่ยอมรับเลยเพราะฉะผลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าเวลาเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลนะบางทีคุณหมอก็ทําเต็มฝีมือแล้ว อ, อย่างนี้นะแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาก็คือว่าเกิดการฟ้องร้องนะเกิดการขึ้นลงขึ้นศาลกันเนี่ยมันจะลดลงได้ด้วยเหตุผลอันนึงก็คือเรื่องของการทําความเข้าใจเรื่องของกฎแห่งกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะ เพราะว่าสภาพปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับทุกๆชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของเหตุแล้วก็ปัจจัยถ้าเราสามารถที่จะสอนให้ประชาชนของเราเนี่ยเข้าใจเรื่องของชีวิตว่ามันเป็นเรื่องของเหตุและก็ผลไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญไม่ใช่เรื่องของความประมาทไม่ใช่เรื่องของความโชคลายหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะผมว่าคุณภาพชีวิต ของประชาชนหรือว่าของคนไทยเนี่ยมันจะดีกว่า น, นี้อีกเยอะฮะส่วนใหญ่แล้วเราอยากจะมีสุขภาพดีแต่เราไม่รู้จักชีวิตไม่รู้จักเหตุว่าเราจะทําเหตุให้มีสุขภาพดีจริงๆได้อย่างไรและเมื่อเราทําเหตุอย่างเต็มที่แล้วก่นที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องยอมรับแล้วก็ไม่ว่าผลมันจะเป็นออกมาดีหรือไม่ดีเนี่ยเรายอมรับมันได้ไหม ตรงนี้สำคัญะคะมากเลยะ ค, ะค่ะฮะเพราะมันเป็นส่วนที่สร้างความวุ่นวายให้กับสังคมหรือว่าให้กับระบบ เ, เรียกว่าแวดวงสาธารณสุขอย่างมากนะคนไข้ล้นโรงพยาบาลหมอไม่มีบริการหรือว่าบริการน้อยเกิดการเรียกร้องมากนะงานหนักงานเยอะคุณหมอก็ลาออกคุณหมอลาออกประชาชนไม่มีคุณหมอมาตรวจรอนานวถัถจักรนี้มันจะเกิดขึ้นอยู่อีกอย่างซ้ซซซซซซซําๆซากๆครับเป็นยนะค่ะ ฉันประชาชนยิ่งเรียกร้องมากประชาชนยิ่งหาหมอมากประชาชนยิ่งคาดหวังมากหมอซึ่งแน่นอนว่าเป็นคนธรรมดาใช่ไหมฮะหมอเป็นคนธรรมดาเมื่อมีความทุกข์เยอะเขาก็ไม่อยู่แหละพอไม่อยู่เสร็จปุ๊บประชาชนก็เดือดร้อนฉั้นอุบายหรือว่านโยบายหรือว่าอวิธีคิดยังไงที่เป็น การให้บริการกับประชาชนแบบว่าเป็นการตัดตอนทางปัญญาของประชาชนให้เขาลดความพึ่งพาตัวเองลงได้เนี่ยอันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการฆาตกรรมทางปัญญาคือว่าประชาชนเนี่ยไม่มีที่พึ่งพอไม่มีที่พึ่งก็ต้องพึ่งหมอพึ่งโรงพยาบาลค่ะเพราะพอเ็าไม่มีที่พึ่งรู้ว่าได้รับบริการที่ไม่สมกับที่เขาคาดหวังไว้ก็จะเกิดปัญหาคือข้อร้องเรียนต่างๆาใช่ไหมคนั้น ถ้าเรามองดูไว้ในภาพอย่างนี้ที่กำลังดำเนินไปเนี่ย<ม>เราจะเห็นได้ว่ามันมีแต่สารธนาทุกนะครับมันโงหาความสุขได้ยากานี่ถ้าเกิดว่าเราจะกลับทิศทางใหม่ว่าเป็นสาธนณสุขคือสุขอันเป็นสารธนเนี่ยเราต้องสอนให้เขาเ ย, ยืนอยู่ได้โดยลำแข้งของตัวเองการที่เรามาฟื้นฟูแวดวงส ม, มุนไพรเนี่ยก็ดีแต่ว่าเราต้องให้เขาไปทำเองนะพี่ศิรินาะ สำคัญตรงนี้นะคะนะให้เข้าไปทําเองให้เข้าไปปลูกเองพอเขารู้ว่าสมุนไพรชนิดนี้พึ่งพิงได้ใช้เป็นยาได้เขาก็จะปลูกต้นไม้กันมากขึ้นอพอเขาจะปลูกต้นไม้กันมากขึ้นเห็นไหมความร่มเย็นหรือว่าความพึ่งพิงอาศัยตัวเองภูมิปัญญาในท้องถิ่นเนี่ยมันจะกลับคืนมาคะนะแต่ถ้าเกิดว่าเราฟื้นฟูนสมุนไพรขึ้นมาส่งเสริมสมุนไพรขึ้นมาเพียงแค่ว่าผลิตสมุนไพรขึ้นมาเป็นแคปซูลเป็นซอง แล้วคุณมีอะไรคุณก็มาซื้อแคปซูลซื้อซองเหล่านี้นะผมว่ามันก็ไม่ต่างกันอะไรที่เราไปซื้อพาราเซตามอลที่มันเป็นสารเคมีสังเคราะห์